พระธรรมเทศนาแผ่นที่53ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28กรกฎาคม2556มีชื่อเรื่องว่าอย่าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่ว เงียบทัที่นี่นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังมาวัดทั้งทีได้ยินเสียงหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาพูดอะไรให้ฟังบ้างเราไปที่อื่นเราก็ได้ฟังเสียงอย่างอื่นแต่มาวัดขัควรจะได้ยินเสียงพระที่ท่านปฏิบัติธรรม อยู่ในศาสนาอยู่ในข้างในอยู่ในวัดป่าวัดดงอย่างนี้ท่านจะพูดอะไรให้ฟังฮะไม่ใช่ว่าเราจะได้ฟังอย่างเดียวกันหมดไม่ใช่น ะ, ะเราไปสถานที่หนึ่งเราก็ได้ฟังอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าโรงหนังโรงนครเราก็จะได้ฟังหนังฟังรำเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเราก็ต้องได้ไดยินได้ฟังอีก ในรูปแบบหนึ่งสรุปแล้วก็คือโลกเนี่ยการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดสรุปแล้วนในโลกนี้มีวิชาตั้งมากมายที่พวกเรายังไม่รู้เพราะนั้นเราไปนสถานที่ใดเขาพูดอะไรให้ฟังก็ฟังเพื่อการศึกษาถ้าหากว่าฟังดูแล้วไม่ได้เรื่องเราก็รีบล้างหูซสะสบัดทิ้งแปลว่า ฟังข่าวนี้ไม่ได้ประโยชน์นะแต่ไปฟังแล้วได้ประโยชน์เออข่ ừ, าวนี้ฟังดูแล้วได้ประโยชน์มีเหตุผลน่าคิดอ่ะอันนั้นก็บันทึกเอาไว้ใส่กระดาษเอาไว้ใส่บันทึกในใจเอาไว้แต่ไปฟังดูแล้วไม่ได้เรื่องเราก็รีบล้างออกซะแล้วก็จบเพราะนั้นการไปในสถานที่ต่างๆไม่ใช่ไปแล้วก็ไปคุยกันมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่ได้อะไร เพราะเหตุใดเพราะว่าเราไม่ได้ไปเพื่อการศึกษาในะวันนี้เป็นวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2556พระจำปัญษาวัตป่ปานาคำน้อยปีนี้39รูปสามเณร น, นรวมแล้วเป็น40คนณะทายาิโยมพระ เนจำมันสาที่วัดป่านอาคำรของเราสี่สิบโรคปีนี้แล้วก็เมื่อวานนับว่าอำเภอนายูงเป็นอำเภอที่โชคดีอำเภอหนึ่งเหมือนกันน ะ, เ, ะเพราะว่ามีคณะศรัทธายายมอยากพวกเราท่านทั้งหลายมาวัดอย่างนี้แหล ะ, ะมาแล้วก็มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ปีนี้ นับวาโชคดีพิเศษเพราะเหตุไรเพราะปีที่แล้วก็มีผู้ถวายรถอแอมบรนให้โรงพยาบาลนายูงเขาก็ผ่านหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็รับแล้วก็เออเอาให้ศีลให้พรให้คณะสัทธา ญ, ญาติโยมผู้ที่ทำบุญร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเพราะว่าชาติบ้านเมืองต้องการความช่วยเหลือ จากผู้ที่มีใจบุญใจกุศล เ, เพราะว่าผู้ที่ยากจนในชาติบ้านเมืองของเราก็มีอยู่เพราะนั้นปีที่แล้วนี่ก็มีผู้ถวายรถแอมโบรอร์แลนคันหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อก็ได้อมอบถวายต่อให้กับโรงพยาบาลนายูก็ได้ใช้กระทั่งทุกวันนี้แหละถ้ามีอะไรเกิดขึ้น เ, เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องวิ่งเข้าอุดร เพื่อไปหาโรงพยาบาลศูนย์ก็เป็นประโยชน์ต่อคนในชนบทอย่างอำเภอสุดท้ายปลายแดนของอำจังหวัดอุดรของเราแต่ปีนี้ก็นับว่าโชคดีขึ้นมาอีกก็คือท่านนายแพทย์พงศักดิ์ที่นั่งเก้าอี้พวกเรามองเห็นมัเน่แพทย์พงศักดิ์วิทยากรและก็คุณนายของท่านคุณนายเฉลียววิทยากร และก็ลูกชายของท่านดรสาธิตวิทยากรและก็ลูกสะพ้ยของท่านมนทิพย์วิทยากรหลานสาวของท่านอีกสองคนธนาทร อ, อริษาได้มาเมื่อวานนีพร้อมกับนายแพทย์จิโรดชุกชาโตเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของท่านเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพราะนั้นท่านได้ มามอบเครื่องเอ็กซเเลให้กับโรงพยาบาลอำเภอนายูหลวงพ่อเองก็นในานามคณะสงฆ์ท่านเคยมาบวชที่นี่ท่านก็บอกอให้หลวงพ่อเป็นผู้มอบหลวงพ่อเออเอาินดีอย่างยิ่งแต่่าบุญกุศลก่อนเนี่ยละทั้งครอบครัวของท่านเน่ยละรับเต็มเต็มท่านมีจิตศรัทธาช่วยเหลือชุมชนสังคม ชนบทยากจนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายท่านได้เสียสละทุนทรัพย์ซื้อเครื่องมือแพทย์คือเครื่องเอ็กซเรย์ราคา3ล้าน2แสนบาทไม่ใช่น้อยนะคณะาพระทัยญาติโยมพวกเราควรจะอหนุมนธนาสาธุพรมกันเสียงดังๆเสสาธุนี่แหละถ้าว่าพวกเราเครื่องเอ็กซเรย์ตัวนี้จิ๋วแต่เจ๋อ เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยในยุคปัจจุบันถ่ายเอ็กซเรสเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลิงก์เข้าสู่โรงพยาบาลไหนที่เราต้องการโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลพญาไทยโรงพยาบาลศิริราชศรีนครินทร์อุดอรลิงก์ไปได้ทั้งหมดแล้วก็พอถ่ายจบเรียบร้อยแล้วถ่ายเอกสารเพียงกระดาษแผ่นเดียวอย่างนี้แหละหลวงพ่อไปเห็นแล้วโอ้โห ทางโรงพยาบาลทางพอ อ, อทงอางลูกหลานโรงพยาบาลนายูงรู้สึกว่าเาปลื้มปรีติใจเป็นอย่างมากดีใจเป็นอย่างมากเพราะเหตุไรเพราะได้เครื่องตัวนี้มาตะก่อนพอเอกซเรย์เข้าไปแด่ดำปึ๊บไม่รู้ว่าอะไรแต่ตัวนี้พอถ่ายเอกสารเข้ามาชัดเจนเลยใช้แจ้วนิ่วอะไร น, นิ่วในไตนิ่ว ในก็พาะ อ, อะไรอะไรเห็นได้ชัดเจนเลยหลวงพ่อก็เห็นโอ้มันชัดจริงๆรนะิเลรื่องเอ็กซเรย์ตัวนี้แล้วก็เพาะถ่ายเสร็จแล้วก็ถ่ายเป็นเอกสารออกมามันไม่ใช่ถ่ายแบบพลาสติกอย่างที่พวกเราเห็นนะถ่ายเป็นเอกสารแผ่นเดียวนะ เ, เราจะถือกระดาษแผ่นนี้ไปไปปรึกษาหมอที่ไหนก็ได้จะไปปรึกษาหมอที่ผู้ชํานาญการที่ไหนก็ได้นี่แหละทางว่า ศรัทธาญาติโยมนะลูกหลานถ้าว่าใครสงสัยจากเอ็กซเรนะไปเลยโรงพยาบาล น, นายูงเดี๋ยวนี้ลงเครื่องเอ็กซเรที่ทันสมัยแต่เครื่องเล็กๆนะจิว๋วจิ๋วแต่เจ้าเพราะนั้นบุญกุศลของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ประกอบคุณงามความดีไวนะ้มันไม่ไปไหนหรอกทางว่าเทวดา ผู้ท่านผู้มีจิตใจสูงท่านเขามองเห็นท่านเขาได้มาช่วยพวกเราอย่างที่โรงเรียนจังหวัดสกล น, นครนะนะโรงเรียนจังหวัดสกล น, นครที่ท่านองค์ขโมลตีไปสร้างให้ตั้งยี่สิบกว่าล้านยี่สบสี่ล้านเจ็ดแสนที่หลวงพ่อไปเปิดนะท่านก็บอกว่าแต่ก่อนท่านก็ไม่รู้ ศีลธรรมจะริยะธรรมวิธีการภาวนาปฏิบัติทำอย่างไรแต่พอท่านได้มาศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวที่ปฏิบัติอยู่ที่จขอนครท่านสอนวิธีการปฏิบัติเรื่องจิตตะภาวนาแต่ได้ท่านก็ได้มาศึกษาพอได้มาศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็พี่น้องชาวสกลนครเนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณอย่างมากอต่อคนทั้งหลายเพราะเหตุอะไรเพราะว่าหลวงปู่มั่นมาอยู่ที่นี่แล้วก็แนะนําสั่งสอนพระสงฆ์ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติเรียนรู้เรื่องกรรมฐานจากหลวงปู่มั่นจากนั้นท่านก็ได้สอนแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชน แถบสกล น, นครพี่น้องชาวสกล น, นครก็ได้ทําบุญทําทานตักบาตรพะระเถระมีหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวได้ฉันจังขันได้ฉันข้าวกับได้ทานอาหารกับพระกับพี่น้องประชาชนชาวสกล น, นครเป็นผู้เลี้ยงดูพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ของเราเราก็ได้รับ ทำคําสอนจากครูบาอาจารย์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นชาวสกล น, นครสมควรที่จะที่จะได้รับรางวัลตกทอดถึงลูกถึงหลานท่านคิดถึงขนาดนั้นนะจากนั้นไทยก็เลยมาสร้างอาคารเรียนให้กับจังหวัดสกล น, นครโรงเรียนไปจําจังหวัดใหญ่ซึ่งสีชั้นหลวงพ่อไปเปิดทั้งกับกล่าวเปิดงานให้กับพี่น้องประชาช ชนชาวชะคนนครลุงพ่อได้ยินลุงพ่อก็ยังซึ้งใจบอกอืมที่ท่านคิดเป็นความคิดที่ก้าวไกลเพรานะนั้นท่านว่าพี่น้องชาวชก น, นครเป็นผู้มีบุญคุณสาหรับท่านที่ได้เลี้ยงดูพระเทระผู้ใหญ่แต่ไหว้พัฒหานพระรพิเทระผู้ใหญ่จากนั้นพระเทระผู้ใหญ่ก็ได้มาแนะนําสั่งสอนท่านจึงรู้ศินรู้ศินรู้ธรรมรู้ภาคปฏิบัติเรื่องจิตตะภาวนา เพราะนั้นบุญกุศลควรจะตกถึงลูกถึงหลานของพี่น้องชาวจักรนครด้วยอันนี้ก็หลวงพ่อก็คิดว่ามีส่วนเหมือนกันที่คณะสัตย า, าติโยมที่มาสู่วัดวาศาสนาในเขตอำเภอนาอยยงพอมาเห็นพี่น้องประชาชนสัตย า, าติโยมร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเลี้ยงดูพระสงฆ์ทําบุญทำทานและก็พวกเราก็ได้มา พวกท่านเหล่านั้นก็ได้มาช่วยเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในถินนี้เพราะนั้นเครื่องเอ็กซาเลตตัวนี้หลวงพ่อว่าก็จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในถิ่นธุระกันดานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพอาอยู่ในเมืองท่านก็อยู่ใกล้อยู่แล้วอนที่จะมีผู้ที่จะมอบเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนี้ให้เป็นของหาได้ยากมากเป็นของหาได้ยากจริง วันนั้นวันนี้เมื่อวานนี้ก็ได้ลูกหลานทางโรงพยาบาลทางผ อ, อทางคณะแพทย์ลูกหลานทุกคนปรึมปีติยินดีต่อการได้รับเครื่องมือเครื่องนี้เป็นอย่างมากนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาเข้าพรรษาของพวกเรากืวันที่23ที่ผ่านมาเป็นวันเข้าพรรษาแต่วันนี้เป็นวันที่28 จากวันวันนั้นมาก็ไม่กี่วันแต่ถึงยังไงของกล่าวเตือนย้ำพวกเราท่านทั้งหลายในพรรษานี้พวกเราจะยึดอะไรเป็นหลักเพราะพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธทเจ้าพวกเราควรจะปฏิบัติตนยังไงในบริษัทของเราหลวงพ่อข อ, ขอแนะนำบอกกล่าวว่าพวกเราพรรษานี้ แต่นอกพรรษาเราก็ไม่ว่ากันแล้วเพราะว่ามันยาวนานไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนเป็นจุดแต่เราจุดพรรษาคือสมเดือนเนี่ยพวกเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวว่าถ้าว่าใครสูบบุหรี่ในสมเดือนเนี่ยท่านงดได้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะอับุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเอาถ้าข้าพเจ้า งดสูบบุหรี่งดยากเหลือเกินในสมเดือนเข้าพเจ้าจะงดดูอ่าและข้าพเจ้าจะงดดื่มสุราดูในสมเดือนเนี่ยตายเป็นตายต้องตั้งคำสัตย์จต่อธิษฐานสามเดือนและข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันเพราะข้าพเจ้าเป็นพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์เราข้าพเจ้านับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง ข้าพรเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่แหกขาดอลาหังสวากาโตสุปฏิปัโ น, โนและกันนโมตัสสะได้เพียงแค่นี้ก็พอนะอลาหังสวากาโตสุปฏิปัโ น, โนและกันนโมตัสสะจากนั้นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาในใจข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วใจโรคธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงใจทุกๆวิญญาณทุกๆ ท, ท, ท่านด้วยเถินคือเราคิดในใจอย่างนี้จึงมีเมตตาอยู่ในจิตใจคนที่มีเมตตามอยู่ในจิตใจแล้วไปนะ่าานที่ใดไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่มีการ จองเวรซึ่งกันละกันเพราะเหตุไรเพราะเรามีเมตตาต่อทุกวิทุกวิญญาณและวิญญาณเหล่านั้นหรือใจเหล่านั้นก็ไม่มาผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรเราเหมือนกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าว่าผู้ใดมีเมตตาไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนสถานที่นั้นๆ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะอันนี้คือส่วนหนึ่งพวกเราเป็นพุทธบริษัทควรจะไหว้พระทุกวันแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็งดอบายจะมุกที่มันไม่เกิดประโยชน์งดซะจากนั้นก็มากกว่านั้นก็ให้มีศีลห้ามีศีลห้าข้าพเจ้าจะไม่ข่าข้าพเจ้าจะไม่ขโมย ข้าพเจ้าเคารพสิทธิในสามีภรรยาคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราในพรรษานี้จากนั้นก็เอาเถอะในพรรษานี้ข้าพเจ้าไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาเส่นเลยแต่ชื่อว่าในนั่งสมาธิได้ยินแต่ว่าสมาธิสมาธิเป็นเรื่องของพระแต่ตามไม่จริงสมาธิ ปฏิบัตมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าผู้เท่าผู้แกไม่ว่าเด็กเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนคือพวกเราถ้าว่าท่านผู้ใดก็ตามต้องการความสงบพร้มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจให้ผู้นั้นภาวนาภาวนากรรมได้ให้ดูตัวเองสรุปแล้วก็คือให้ดูเจ้าของให้ดูเจ้าของให้ดูตัวเองให้ดูใจตนเอง พิธีการนั่งภาวนาไม่ยากไม่ต้องนั่งขจมาธีก็ได้หรือจะนั่งก็ได้ถ้าเราอยู่นั่งอยู่ตามลําพังเราอาจจะนั่งอยู่ในห้องของเราเนี่ยอาจจะนั่งขสมาธิอย่างพระประธานนั่งอย่างนี้แหละแต่ถ้าเรานั่งอยู่ที่ไหนเรานั่งรถนั่งราหรือว่านั่งที่มันสะดวกเราก็นั่งเก้าอี้ก็ได้แล้วก็เมื่อเราอยู่ตามลําพังถ้าเราไม่อยู่ตามลาพังมีคนเยอะ เราก็นั่งอยู่ธรรมดาเราก็นึกพุโทโธพุธโทโธให้มีสติให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกเราหลับตาซะถ้าเราไม่ได้พูดแต่คุยอะไรเราก็ลั่งหนับตาเนะเหมือนกันเราพักผ่อนนอนหลับอย่างนั้นนะแต่ในใจของเราไม่นอนนะเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธให้มีสติสัมปชัญญะอันนั้นวิธีการภาวนาะง่ายได้เดียวเพียงแต่ให้ดูให้รู้ให้มีความรู้สึก ในตัวของตัวเองเท่านั้นแหละอันนั้นแหะคือภาวนาพุทโธให้มีสติสัมปชัญญะในตัวเองนี่แหละคือภาวนาแต่ถ้าว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจเออแเล้วเฮ้ยลอยเราคิดเรื่อยเปือ่อยไปเรื่อยอันนั้นไม่ใช่นะถึงจะนั่งภาวนาขัดสมาธิเออเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายก็เถอะแต่ใจคิดไปทางอื่นไม่ใช่ภาวนานั่งคิดนั่งเหมอนั่งลอยแต่ถ้าว่าเรานั่งยังไงก็ได้ แต่มีสติสัมปชัญญะในตัวเองนั่นแหละคือนั่งภาวนาเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะวิธีการนั่งภาวนาง่ายนิดเดียวจากนั้นก็เวลาวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงข้าพระเจ้าจะนั่งสมาธิให้ได้วันละสิบนาทีหรือยี่สบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงได้ไหมวันหนึ่งไม่แหกขาดในพรรษานี้ทดลองดูเรานั่ง หาโอกาสนั่งสมาธิให้มีสติอยู่กับตัวเองหนึ่งชั่วโมงได้ไหมสิ่งเรล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราท่านทั้งหลายทั้งว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวใจของเราก็จะได้รับความสงบปล่มเย็นเป็นสุขใจของเราจะไม่ฟุ้งเฟอ้อใจของเราจะไม่เออเลอะเหยืออ่อลอยลมลอยลื่นไปเรื่อยเพราะเหตุพรว่า มีสติเป็นเครื่องดีเนียบทางด้านจิตใจมีสติอยู่กับตัวเองนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าสติสัมปชัญญะให้ความสําคัญเรื่องของผู้รู้คือใจสําคัญมากในหลักของพุทธศาสนาเรื่องร่างกา ย, ยมันเป็นส่วนหนึ่งร่างกายกับใจมันเป็นคุรานกันนะเมื่อเรานั่งสมาธิ เราจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตสงบลงไปนะสติของเราตะก่อนเราก็ไม่รู้ใจเออละเหยลอยลมไปเลยแต่พอสติสัมปชัญญะพุทโธพุทโธ ท, ที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะพุทโธถ้ามันเผลอไปก็ดึงกลับมาอีกมาอยู่กับพุทโธ ท, ที่ปลายจมูกอีกพอมันจิตใจรวมสงบเท่านั้นละเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจ ใจกับกายเน่ยเป็นคนละอันกันนะทีนี้ร่างกายเหมือนเป็นนามะธรรมอะร่างกายเป็นรู ป, ปธรรมตัวนจิตใจนี่เป็นนามะธรรมนามะธรรมคือจิตใจคือตัวรู้ตัวนึกคิดนะก็ว่านามะธรรมแต่ร่างกายเนี่ยเป็นรู ป, ปธรรมรู ป, ปธรรมกับนามะธรรมอาศัยกันอยู่ใครเข้าพึ่งนามะธรรมก็ อ, อาศัยกาย กายอันนี้ก็อาศัยนา ม, มาธรรมถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนก็คือร่างกายของเราเนี่เหมือนกับรถนา ม, มาธรรมที่ว่าน่ยคือเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถอาศัยกันอยู่ถ้ า, าว่าคนขับรถหนีออกจากรถซะรถคณะมันก็ไปไม่ได้มันก็จอดแต่ถ้าหาว่าคนขับรถจับฝีมือดีขนาดไหนแต่รถมันเสีย รถมันเสียลูกสูบมันติดอย่างนี้คามบิวมันอุดตันอย่างนี้นจะฝีมือขนาดไหนก็บฝีมือขับไปไม่ได้เพราะรถมันตายอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ยุคนยุคสมัยนี้เขาบอกว่าสมองแต่ตาใจไม่จริงใช่สมองก็ใช่สมองก็อยู่ที่ศีรษะของพวกเรานี่แหละแต่คนใช้สมองนะั่นเป็นใครถ้าไม่มีสมาธิจะมองไม่เห็นจุดนั้น ถ้าว่าคนที่มีสมาธิแล้วที่อย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแล้วทําจิตใจให้สงบแล้วจะรู้ได้ว่าคนที่มาใช้สมองนะั่นคือใครมองเห็นได้ชัดเลยอันนั้นคือนามธรรมาตัวผู้รู้คือใจสมองนะั้เหมือนกับรถรถมันมีสมองกลรถราคาสูงมีสมองกลพอจะตัดเครื่องเข้าไปเท่านั้นแหละสมองคนมันจะบอก น้ำมันยังเหลือเท่าไรจะเดินวิ่งไปได้เท่าไรล้อซ้ายล้อขวาตาหน้าตาหลังตาหลีอะไรมันจะบอกหมดที่มันพิการในตัวของมันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีความรู้สึกตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าร่างกายของเราเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนอะไรเพราะเหตุไรเพราะใจของเราเข้าไปใช้สมองฮเพราะนั้น ถ้าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านให้ความสําคัญเรื่องโซเฟอร์มากกว่าฮะมากกว่าร่างกายมากกว่ารถนะาท่านให้ความสําคัญโซเฟอร์มากกว่ารถนะเพราะฉะนั้นท่านจะให้ทำสมาธิทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะตัดทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะผู้ฝึกหัดเรื่องจิตภาวนา ภาวนาทำจิตใจให้สงบถ้าว่าจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่สานท่านว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราทดลองเลยสิาบา ง, บางพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเขายกย่องสรรเสริญเฉิดชูบูชามีเงินคำทรัพย์สมบัติมีพี่น้องถูกอกถูกใจ เราก็ดีใจมีความสุขแต่ความสุขเกิดจากความสงบในจิตใจนั้นมากกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้ายืนยันเลยว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นพอให้พวกเรานั่งสมาธิดูนะจริงไหมที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตานี่ยท่านยอมรับทั้งหมด ว่ารมคำสอนของพรนะพุทธเจ้าเป็นของจริง เ, เมื่อปฏิบัติแล้วจะรู้ได้จะรู้จริงเห็นจริงอย่างพุท ธ, ธะตรัสเอาไวนะ้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ อ, อยู่ในโลกนะมันมีมากหลากหลายามีความคิดมากหลากหลายในแนวความคิดานานาจิตตงนานาทัศนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายในยุคนี้สมัยนี้ละ่ะ พระนั้นเนนนี่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในสื่อนะสื่อต่างๆทุกวันประโคมข่าวแล้วประโคมข่าวอีกแต่หลวงพ่อเองในนามคณะสงฆ์ในนามพระสงฆ์หลวงพ่อได้ยินแล้วก็ไม่สบายใจเหมือนกันกลัวศรัทธาญาติโยมลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังกลัวจะไขว้เข่ในความคิดเพราะเหตุหลายเพราะว่าเขาจะมองสื่อต่างๆเน่ะ เขาจะให้มองเหมือนกับม้าเมืองลำปางอย่างนั้นล่ะคือม้าอินเดียพวกเราเคยเห็นไหมม้าเวลาเขาใส่รถม้าล่ะเขาจะใส่อะไรป้องตามันไว้ไม่ให้มันมองที่อื่นเขาจะให้มองแต่เฉพาะถนนเท่านั้นล่ะถ้ามองที่อื่นมันจะตื่นว้เออมันจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงไงเขาก็เลยให้มองเขาให้มองตุดจุดที่เขาให้มองเท่านั้นแหละแต่ในพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชน จะไปมองอย่างนั้นมันไม่ถูกพวาะเราไม่ใช่ม้าอินเดียไม่ใช่ไม่ใช่ม้าเมืองลําปางฮะเราเป็นม้าสาธารณะเราเป็นม้าอาชนัยเราใช่จะฝึกตัวให้เป็นม้าอาชนัยเราต้องมองให้กว้างขวางฮะเราต้องมองทุกๆหมู่ทุกเหล่าทุกคู่ทุกคนเมราะว่าในโลกนี้มีคนชั่วมีพระมีต่พระเท่านั้นชั่วใช่ไหม พระดีไม่มีใช่ไหมตำรวจชั่วทั้งหมดใช่ไหมตำรวจดีไม่มีใช่ไหมหมอชั่วทั้งหมดใช่ไหมหมอดีไม่มีใช่ไหมพ่อค้าประชาชนดีไม่มีใช่ไหมมีแต่ชั่วทั้งหมดใช่ไหมสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องมองคือมองให้ทั่วถึงมันมีดีและมันมีชั่วอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่ในครั้งบัพพุตรเจ้ามีไหม พระจีชั่วมีพระพุทธเจ้าวบวชให้เทวทัตพระเทวทัตเป็นเชื้อพระวงศ์อีกต่างหากในเมื่อบวชัวชให้แล้วเนะพระเทวทัตยังคิดฆ่าพระพุทธเจ้าอีกวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าอีกไม่รู้กี่รอบนะทําไมอทําไมท่านจึงไม่ปฏิบัติธรรมทาไมเป็นอย่างนั้นพอมายุคหลังๆนี่อีกก็มีเยอะแยะอีกพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเพราะฉะนั้นเรา อย่าไปใส่ใจในสิ่งภายนอกโครงสร้างของพระพุทธศาสนานั้นดีอยู่แล้วดีหมดทุกอย่างเป็นสวากขาตธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วแต่คนมาปฏิบัติเท่านั้นละ่ะมันไม่ชอบอย่างกฎหมายบ้านเมือง เ, เขาตราไว้ตราอีกกฎหมายมาตราที่เท่านั้นทําโทษอย่างนั้นโทษประหารแต่คนทำไมจึงทาเราจะตําหนิใครเราจะตําหนิกฎหมายของประเทศชาติใช่ไหม หรือจะตำหนิคนเราต้องตำหนิคนอันนี้ก็เหมือนกันเราตำหนิพระหรือคนที่เขามาบวชฉาบฉ่วยโอกาสไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จกัจกบาปปูนคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เข้ามาแล้วทำไมถึงเลวทำไมจึงชั่วถึงขนาดนี้เราน่าจะตำหนิประมัตประนามคนที่ทำความชั่วนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเรา อย่าประนามคนอื่นก็นแล้วกันให้ประนามตัวเองให้มองเจ้าของ <anut> ให้ดูเจ้าของคนที่ทำความชั่วอย่างนั้นหลวงพ่อว่าเนีอที่มันที่ทำความชั่วอย่างนั้นถ้ามองตัวเองไว้อยู่เสมอนอะะ่สิ่งไหนที่มันชั่วสิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนทํามันชั่วเราก็อย่าทำถ้าสิ่งไหนที่มันดีเราก็ทำถ้าหลมองเจ้าของให้ดีแล้วเนี่ ถ้ามันให้ก่อให้มีดูใจของเตยียงอย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางหลวงพ่อว่าที่คนทั้งหลายมองเห็นแสดงว่าถ้าเป็นน้ำนะมันน้ำล้นกระป๋องแล้วน้าล้นกระลำมังแล้วเห็นความชั่วของเราเนี่ยล้นออกมาแล้วเขาจึงเห็นนะแต่ตามไม่จริงตัวเองนะ่ยรู้แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรมันผิดหรือมันถูกนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะ ให้มองดูตนเองให้มองใจตนเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดนะอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดนะคิดก็ไม่ดีถ้าคิดขึ้นมาแล้วก็ทำออกไปก็ไม่ดีคิดคือคิดยังไงคิดโลภอยากจะได้ของเขาคิดพยาบาทปองร้ายเขาคิดเห็นผิดจากทำนองคลองทำอันนี้คือคิดไม่ดีในเมื่อคิดไม่ดีแล้ว การกระทาออกไปฆ่าสัตว์แต่ไหนเบียดเบียนคนอื่นเขาฆ่าขโมยของเขาอคิดโกงของเขาขโมยของเขาอคิดผิดสามีภรรยาคนอื่นเขาโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาแล้วก็คิดดื่มสุราเสพยาเสพติดเมื่อเสพยาเสพติดเสพติดแล้วเมาอสมองปั่นป่วนทําความชั่วดีทุกอย่างเพราะเห็นแหละเพราะดื่มสุรา พอดื่มสุรา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้าเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วฆ่าใครก็ได้ศินข้อที่หนึ่งขาดขามโมยใครก็ได้ลาภ ล, ล, ลูกสามีภรรยาลูกไหลใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะมันขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะฉนั้นอันนี้ก็คือทําไม่ดีฮคิดไม่ดีทําไม่ดีแล้วก็พูดไม่ดีอยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะหลงพ่อเคยย้ําอยู่เสมอว่า อกกตังลุกตังเส้ยูยปัจฉาตปฏิลุกกตังกรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วความชั่วนั้นจะให้ผลทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพลัยเพราะคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วถ้าคิดดีพูดดีทำดีแล้ว จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน จ, จิตใจฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะจัตตาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเลยอย่าไปตื่นตระหนกในสิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังเราต้องเราเป็นชาวพุทธเราต้องใช้ความสติใช้ปัญญาใช้ความแนวความคิดให้รอบคอบอันไหนเป็นอันไหนเรานับถือโครงสร้างคือนับถือหลักพระธรรมวินัยนับถือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าว่าคนไหนทาชั่วกะคนนั้นทําชั่วเนี่ยเจะไปนับถือทําไมเพราะมันชั่วเนี่ยเอออาเซวนาจะบาลานังบัณฑิตานั้นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังอาเซวนาจะบาลานังอย่าไปคบคนผ่านบัณฑิตานั้นจะเสวนาให้คบบัณฑิตนักปราชญ์ปูชาจะปูชนียานัง ให้บูชาบุคคลที่ควรบูชา บ, บูชาที่คนเป็นคนดีให้บูชาเอตัมมังคมามุตตัมมังอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดในหลักของพุทธศาสนาเนะเพราะพระเจ้าท่านไม่ได้ให้นับถือเกวเลเกวราชไม่ใช่นะปูชาจะปูชนียานังเซวนาจะบาลานังอยากคบคนผ่านบัณฑิตานั้นจะเสวนาให้คบบันฑิตนักปราชัแต่ทางนี้ทางนั้นพวกเราจะคิดโอ้ หลวงพ่ออินเนี่ยคงจะอยากจะให้มาคบหลวงพ่ออินนี่แน่หลวงพ่ออินเคือว่าท่านเป็นบันณฑิตนักปราชญ์เน่ยไม่ใช่หลวงพ่อบอกว่าบัณฑิตนักปราชญ์ที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวนะั่นคือบัณฑิตคือศีลห้าคือสัมมาทิฏฐิคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็ศีลห้านั่นอ่ะเป็นบันณฑิตนักปราชญ์ให้เขาไปคบเถอะให้ไปอยู่กับศีลห้านั่นอ่ะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าออกนอกจากศีลห้าไปแล้วแปลว่าคบคนผ่านลเลยท่นี่ ไปคบพาและชนะทในเมื่อไปคบพาและชนนนะคบอบายยมุกวังเที่ยวเ ต, เตบวังเสียงไหนที่มันคดไปโกงเขาบางผิดศีลห้าบงนั่นแหละความเดือดร้อนฟุ่นวายจะเกิดขึ้นกับตัวของเรานะเป็นอันดับแรกพระนั่นขอฝากไว้กับพวกเราทุกคนนะให้คบปัญดิต์ให้คบปัญ น, นักปราชญ์และก็ให้บูชาบุคคลที่ควรบูชากำสูย กรรมชั่ว่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วทำลงไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นทำแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าให้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทก่อนหลับก่อนนอนให้ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนขึ้นมาก็ไหว้พระ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 จากนั้นก็ให้มีศินห้าเนี่ยแหละล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีล้วนแล้วแต่เป็นกรรมดีทั้งหมดเมื่อทํากรรมดีคิดดีทดําดีพูดดีแล้วพวกเราจะมีแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านอันนี้เป็นแนวความคิดหรือว่าเป็นปรัชญาของพระพุทธศาสนาสําหรับพวกเราจะต้องได้ศึกษาส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุขพวกท่านทั้งหลาย นำไปคิดไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะถ้าสิ่งไหนที่ควร ม, มันดีเราก็ควรจะยึดไม่ใช่หรอถ้าสิ่งไหนที่มันชั่วเราจะไปยึดทําไมยึดชั่วนะเรายึดแต่ทิ้งดีเท่านั้นอนะ่ะมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นหุนทางของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเรายึดความชั่วแล้วก็นั่นอนะ่ะเขาว่าอย่างไงก็ว่าไปตามเขาเออเราเหยลอยหลงเพอเพก็เลย เห็นเขาว่าพระพุทธศาสนาเน้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นพระองค์นี้เป็นอย่างนี้เลยหมดศรัทธาไงทำไมจึงหมดศรัทธาเพราะศรัทธาในหัวใจมันจะหมดอยู่แล้วมันน้อยอยู่แล้วก็เลยหมดพวกเราต้องปลูกศรัทธาปลูกศรัทธาเชื่อในโครงสร้างเชื่อในโครงสร้างพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสวาาัสดิธรรมตั้งแต่ทานศีลภาวนา จนจนถึงชำระจิตใจให้สงบภาวนาทำจิตใจให้สงบเป็นยังไงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อเราทำจิตใจให้สงบแล้วเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าให้ความสงคัญเรื่องของใจมากกว่ามโนปุพังามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายเรื่องทั้งหลาย ม, มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมันท่านไม่ใช่ว่าสำเร็จแล้วรวยกายนะกายเป็นใหญ่กายเป็นหัวหน้าไม่ใช่นะพวกเราให้คิดให้ศึกษาให้ดูให้ดีกันแล้วกันใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจท่านให้ความเรื่องให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายนะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร